บางทีเราก็ได้สัมผัสสะดุดถ้าเรามีสติเป็นหน้าโลกพระพูทเจ้าสนสาวกทั้งหลายจงมีสติทุกเมื่อเมตจุล่าจะตตามไม่ทนันผู้มีสติเหมือนอยู่ในมุง่ง ผู้มีสติเหมือนมีล้มในมืออยู่ในมุง้งนอนฟังเสียงโยงโล้มในมือเวลาฝนตกมีล้มก้นเวลาแดดออกมีล้มก้นก็ไม่มีถ้าเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ไม่มีสุขมีทุกข์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 หรืออยู่เพียงคนเดียวจะพอพันคนเพื่อจะไปเรียนศาสตร์ที่อาจารย์จะสอนให้คิดแต่เรื่องนี้พอดีเห็นครูพทธเจ้าก็ถือดอกวิ่งออกจากป่าจะตามข้าพทธเจ้าก็วิ่ง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 องคุยมานได้ยินได้สะดุดกับความตัดสอนคำพูดอย่างนี้ก็เลยสะดุดอย่างหลักเหมือนกับสะดุดต่อร่วมลงเพ่งอีกไม่ได้เจ็บปวดเก็บใจก้มลงนอนหมอบลงทิ่งดาบเข้าป่า ไม่เคยได้ยินคําพูดอย่างนี้นานเหเกินอาก จ, จะเป็นใครหนอเนี่ยอาจจะเป็นสีทัตตะโอรสของพระเจ้าสุตโตสะที่ออกปวดได้ยินว่าได้ตัดชะลุอาจจะเป็นองค์นี้หรือเปล่าอาจจะเป็นคนคนนี่หรือเปล่า อาจจะเป็นคนนี้แน่นอนเพราะคำพูดแบบนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนลอมพึงลมพันอยู่เสียใจเป็นอย่างเม่มากเพราะการกระทาของตนไม่เคยปฏิบัติแบบไหนมาก่อนเลยมีแต่คิดจะฆ่าจะฆ่าวันที้สุดพระเจ้าก็เห็น ก้มลงพระเจ้าเดินขึ้นมาเดินกลับมามาจับลูกขึ้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนุนแจ้ไขได้แจ้ไขได้ตามเราไปตามเราไปตามเรามาเราจะพาไปพระเจ้าขุนพาเดินไปเชตตะวันมหาวิหาร เงเป็นใกล้บ้านขององคติมานพระเจ้าก็สอนจนได้บรรลุธรรมขอบวชองค์พระเจ้าก็เลยบวชให้บ้านขององิมานกับบ้านราถาปิธิกาเสษถีใกล้ๆกันหลังโตใหญ่เท่ากัน ฐาหนะเท่าเทียมกันอยู่ใกล้ๆกล้เขตตวันนั่นนั่นคือสะดุดน้อยเคยได้ได้ปฏิบัติไม่เคยได้เดินจงกรมไม่เคยได้ฟังเทศฟังธรรมอะไรทั้งหมดเลยในแต่คิดจะฆ่าจะฆ่าอย่างนั้นก็มีการบรรลุธรรมอยู่เฉยเฉยถ้าสังเกตดีๆสะดุดการสะดุดเป็นการบทเรียนที่ดี สัมปัติความหลงสัมปัติความโลภสะดุดลองดูสัมปัติความทุกข์สัมผัสความผิดสัมปัติความถูกให้สังเกตตรงนี้เรารู้อยู่มันสุขเห็นมันสุขมันทุกข์เห็นมันทุกข์ลองดูมันจะต่างกันกับเป็นผู้สุขเป็นผู้ทุกข์ต่างกันอยู่แล้ว <c oughs> ก็เลือกได้ อย่างโอคนิมารเลือกทางที่จะต้องปฏิบัติต่อไปกับคนละอาาันเปลี่ยนเปลี่ยนพกเปลี่ยนชาติในการกระทำตัดทันทีได้เป็นเจกรก็คิดจะทำบาปทำกรรมมีการกระทำเกิดขึ้น นับหนึ่งสองสามนับหนึ่งสองสามหนึ่งคนสองคนสา ม, สามคนไปนับที่เล่ม่าลืมเลยเอาเชือกมาล่อยข้อมือเอาไว้เป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อข้าใครแล้วก็ลอยไว้ลอยไว้แล้วค้องคอไว้เพื่อจะนับดูแต่ก่อนไม่ได้ทำแบบนี้ลืมนับไปได้ เลยเออเรียกว่าองค์ุรีมานคูดีคู่ดีคือข้อนิ้วข้อนิ้วมือคือข้าคิดเองนตัดกรรมทันทีหยุดทันทีเราจะทำอะไรมันมีวัตจัอยู่สามอย่างกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากกรรมคือทำให้เหการกระทำเกิดขึ้น ก็คินในการการทำนั่นเรียกว่ากิเลสวิบากก็คือทำลงไปเหมือนคนสูบบุดีก็ขสูบจเป็นกรรมติดเป็นกิเลสวิบากคืออยาก เพราะอยากจึงสูเพราะโจึงติดพรติดจึงอยากเพ อ, อยากจึงสูเพราะโ卜จึงติดพรติดจึงอยากจะหยุดตรงไหนได้เคยไปชวนคนเลิกสุบูรีเหมืนติดเหมันอยากจะไปห้ามตัวอยากไม่ได้จะไปห้ามตัวติดไม่ได้พราะโ卜มันยังติด ติดมันจึงอยากเขา อ, อยากวันสู่พอสูบถึงติดพอติดจึงอยากมันไปวัดตะต่อกันเหมือนไก่เหมือนงูเหมือนหมูไก่ฆ่าผางงูงูฆ่าผางหมูหมูฆ่าหางไก่ไก่ฆ่าหางงูงูฆ่าผางหมูต่างคนต่างฆ่าผางกัน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 พอไม่ติดแล้ว ก, ก็ไม่อยากเพราะไม่อยากก็ไม่สูกพราะไม่สูกก็ไม่ติดพราะไม่ติดก็ไม่อยากมันก็เวียนขก้นมาเรียกว่าอนุโลมปฏิโลมถอยกับมันก็เลยเป็นอิสละมันอยู่ที่กรรมเวลานี้เรามาทํากรรม กรรมฐานที่ตั้งของการกระทำมีสติตั้งไว้อะไรก็มีสติเป็นกรรมอยู่มันก็ตัดมันทุกอว้มทุกเห็นมันทุกมันตัดกรรมกมทุกไม่เป็นทุกมันสุขตัดกรรมสุขไม่เป็นสุขหลงไม่เป็นหลงรู้ไม่เป็นรูกผิดไม่เป็นผิดถูกไม่เป็นถูก อะไรที่มันเกิดวิบากกิเลสกรรมวิบากมันจะตัดไปตัดไปมันจึงเป็นกรรมตัวนี้เป็นการจำแนกเป็นการจำแนกสัตว์เว่าศักดิ์สิทธิ์กรรมฐานเป็นกรรมฐา น, เ ป, น, รรฐานเป็นการกระทําที่ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์มากพอมันหลงลู้นะถ้ามันได้รู้แล้วมันก็ ไม่มีอะไรที่เปลี่ยนรูปเป็นอื่นได้มันถูกต้องมันชอบทำอยู่โดยโชอบเป็นธรรมง่ายๆอย่างนี้เราจะไปทํายากทําไมไปหน้าดํำคําเครียดจากงานหน้าจะเยิ่ยมยิ่มเยี่ยมเยี่มย ม, ย ม, ยมแฉมใสเพราะมันทํามันถูกต้องแล้วเราก็เห็นอยู่เราก็มีงานทําอยู่เรามีกายเรามีใจกายเป็นสังขารใจเป็นสังขาร เรีว่ากิจตสังขารกายตสังขารมันมีสิ่งที่ปุงปุ ง, ตงแต่งแล้วก็เห็นมันแปดหมื่นสี่พันอย่างเกิดขึ้นที่กายที่ใจนี้ล้วก็เห็นเห็นอะไรก็มีสติมันก็ง่ายๆไม่มีเครื่องมือแบบใดเป็นถ้าเป็นเครื่องทุ่นแรงก็เพียงพอแล้วมีสติมันไม่ยาก ความหลงความโกรธความทุกข์มันก็ไม่ได้ขี่ช่างฉี่มามามันเกิดขึ้นจากการยสังขารจิตตสังขาร น, นี้ว่าเราไปเคยเราเคยคิดเราเคยพูดเราเคยทําเราเคยใส่ใจเพ่งเล็งจะเป็นจิเล 1, ตพันหตนาร้อยแปดเกิดจากการกระทําเกิดจากการเพ่งเล็งเกิดจากการคิดเกิดการเอาใจใส่ต่อเรื่องนั้นๆนเราก็เลยเกิดโป่งแแปลง เป็นภพเป็นชาติอยู่ในสังขารนั่นสุขก็เป็นภพเป็นชาติทุกข์ก็เป็นภพเป็นชาติเกิดดับเกิดดับความรลบขความเจียดชังเป็นวกเป็นชาติเกิดอยู่กับเรากี่ครั้งกี่หอนเราไม่เคยเห็นตามๆพพตามชาตินั้นไปเกิดเจ็บเจ็บตายอยู่ในความสุขก็คนสุขก็ เ, เกิเจ็บเจ็บตายควอมสุขเกิดขึ้น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 สังขารคือรูปทำนามทำทั้งหมดทั้งชิ้นเกิดขึ้นแล้วใหญ่เจ็บตายไปสิ่งใดที่เป็นเช่นนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่อย่าไปไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไ, ไม่ควรประยึดว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราเคยได้ว่าไหมเคยได้สวดไหมฮะเคยได้สวดไหมแล้วสวดให้ใครฟัง ได้เย็นตัวเองสวดไหมเดีมาสอนตัวเองไหมเคยเอามาสอนไหมหรือว่าเป็นภาษาหนูแก้วหนูค้นทองกินพริกมันก็ว่ากินกล้วย เ, จ, เา จ, าจ้าจ๋ากินข้าวกับกล้วยบอเจ้าจ๋ากินข้าวกับกล้วยบอเอาพริกให้มันกินมันก็ว่ากินกล้วยกินกล้วยเราได้ว่าเอาวาตป้าไปทไําไหมถ้าเรามาสะดุดลองดูมันมีค่ามาก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 มันหลงเปลี่ยนลงเป็นรูปเนี่ยเสียแล้วเสียเคราะแล้วความหลงไม่ดีจริงๆความโกรธไม่ดีเปลี่ยนความโกรธเป็นความเม่โกรธเนี่ยตัดกรรมตรงนี้กันอย่าให้ใครไปทำให้เดีย๋ยวนี้เราอาศัยคนอื่นตัดกรรมให้ใเวรเป็นกรรมในวันนี้ก็หลงตาไปดูคนป่วย เ, เห็นหลงตา อ, อยู่วัดเขาเลยไปเสียขค้กแล้วขี่รถม อ, อร์จัยแหกโค้งหน้าตาเปเื้อนปไปด้วยผ้าปั๊เตอร์เป็นแผลลูกชายก็เป็นแผลหัวแตก เสียงขาทะโลบบ ก, กวนมายังยังไม่ตายหายเสียข่ลขอลดแขกโค้งให้หลวงตาเสียข่อให้เอาสังฆทานมาถวายนั้นเป็นอะไรทำไมจึงขับแหกโค้ง ของการกระทําของตัวเองกับใบประมาทไม่รู้จักทางไม่คิดทางแล้วก็เลยแหกไปเลี่ยวไม่ทันตัวเองก็น้ำหนักประมาณเกือบร้อยกิโลผู้หญิงคงจะเป็นเหมือนกระสอบตกรถก็เลยโอ้ไม่เจ็บดอกคนอ้วนขนาดนี้ ลูกชายก็อ้วนแม่ก็อ้วนก็ไม่เป็นไรต่อไปอยาขคบใยมีสติอย่าประมาทการตัดกรรมก็คือมีสติใช้รถใช้เลืออย่าประมาทใช้กายใช้ใจอย่าประมาทเห็นสีวงเร่อมอย่าประมาทนี่มันก็ สักดิ์สิทธเราจะมั่นใจเราจะเดินไปนี่ล้วก็มีเครื่องมือเดินมีตามีขาเห็นอะไรที่มันไม่ใช่ทางก็ก็อย่าไปผมหลงไม่ใช่ทางข่มรู้คือทางข่มทุกไม่ใช่ทางข่มรู้สึกตัวคือทางอาวิชชาไม่รู้คือป่า ควลมรูกคือวิชาคือทางวิชาอาวิชาอาวิชาคือป่าโรควิชาคือทางงเตี้ยนก็เหยียบดูสังผัดดูเราหลบตาเดินบ <c oughs> ทีก็เท่าเราก็ใช้ได้เอาขาเอาเท่าต่อไป มันก็บอกได้การสัมผัสเนี่ยนั้นคนตาบอดสารกระติบเข้ามือไม่มีตาดูสารติบเข้าไวก้กว่าคนตาดีมันคินมันสัมผัสนั้นตาไปอนินโดนีเซียเด็กนักเรียนตัวเล็กๆไปไปไปตกไปตกไม้แพ้ ถเป็นก็เป็นก็อหูตาก็หูก็ฟังครูสอนแต่มือของเพะอเขาถักไักีกตอกเบื้อไปสารสลอมสารหมวกแล้วก็แล้วก็ไปขายไปกิโลอุตสาหกรรมไม้ไั่อินโดนีเซีย มากที่สุดเฟอร์นิเจอร์มีแต่ไม่พายมันไม่แผ่ล้งตาตอดมันตายฉีตัดไปแช่ไปด้าสอนเฟอร์นิเจอร์ไม่พาคนบ้านสมัครก็ไม่มีใครคนบ้านนี่เมือง น, นี่เจียดคานตัวให้คนแก่ อ, อายุหกสิบปีมาตัดไม่พาไปใช่ได้ ก็ไม่มีใครเม า, เาตายทิ้งปีละลดละล ด, ละลดลมันแก่บรรเท่ากองอยู่ถ้าทําไม่เป็นมาเรียนเราจะสอนสอนเฟอร์นิเจอร์สอนการจักสารไรไม่ไผ่เราทําเป็นหมดทุกอย่างอะไดที่เกิดจากไม่ไผ่สารกระติบข้าวสารตะก้าสารของข้าวสารอะไรได้หมด แ้วทำไมเป็นมามาเรีย น, ยนจะสอนให้ก็ไม่มีใครมานนนมเนี่ยมือมันไปเข้ามันแลถ้ามันเป็นแล้วมันไม่ลืมการสัมผัสนี่ไม่ลืมตสติที่มันสัมผัสเนี่ยมันไม่ลืมเลยไม่มีวันลืม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 มันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นมันก็หลงเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัไม่อยู่เพราะริงนี้มีสิ่งนี้จึงมีเหตุที่มันหลงเพราะมันไม่รู้เหตุที่มันไม่รู้มันจึงหลงเท่นี้ เหมือนหน้ามือหลังมือพลิกมือให้ดูก็ยังไม่ทำยังทำไม่ได้รวมหลงเหมือนหน้ามือหลังมือรวมรู้เหมือนหน้ามือรวมหลงเหมือนกับของปิดของที่ข่วมรวมลู้ตัวหงายของข่วมขึ้นแล้วเห็นแล้วรวมทุกเหมือนหลังมือควมไปทุกเหมือนหน้ามือมันก็มีอยู่อย่างนี้ตรงๆอย่างนี้วฏิบัติตรงปฏิบัติอย่างนี้ ไม่ไปทําอย่างอื่นถ้าหลงอันเดียวเท่านั้นนะเรียกว่ากุญแจดอกอกีกไขได้เปิดได้มันโงก็รู้มันโกรธก็ ร, กรู้มันทุกข์ก็รู้อะไรอะไรมันก็รู้ตรงเนีนนะ้ตัวเดียวเท่านี้นมีแต่สติเบื้องต้นตามกลางก็สติที่สุดก็สติ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 เนี่ยมันทําได้จริงจริงเรื่องนี้เสียดายเสียดายมากเสียดายคนที่หลงเสียดายคนที่ทุกข์เสียดายคนที่โกรธนิดเดียวเท่านั้นเองเปลี่ยนชาเปลี่ยนชาอย่างคุยเจ้าบมกเทวโองคริมานตรงๆเราหยุดแล้วเธอยังไม่หยุดไม่หยุดอะไร ยังวิ่งอยู่หยุดอะไรยังวิ่งอยู่เราหยุดทำบาปทำกรรมแล้วเธอยังทำบาปทำกรรมอยู่ยังถือดาบเลยฆ่าเราอยู่เราไม่ทำนี่แบบนี้แล้วเราหยุดแล้วได้ยินองค์พิมานได้ยินทิ้งดาบเข้าป่าเลยสะดุดมีคนบอกประเทศไทยยังมีคำสอนคำบอก ถ้าไม่มีใครบอกก็ไปหาอ่านคำสอนพรพุทธเจ้าดูอยู่นี่ก็มีตู้หนึ่งเรียกว่าหอวใจตั้งอยู่นี่อยู่สระหน้าก็มีสองตู้วีนี่เขามาถวายตู้หนึ่งเป็นคำสอนพระพุทธเจ้าอ่านดูอ่านในหนังสือถ้าไม่รู้จักถ้า มาปฏิบัติธรรมไม่ต้องเอานังสือมาอ่านประกอบขึ้นเลยกายเป็นตู้หนังสือใจเป็นตู้หนังสือเป็นตำลาเล่มใหญ่เกิดขึ้นที่กายที่ใจนี้แล้วผู้เจ้าตรัสรู้ใหม่ๆไม่มีหนังสืออ่านสักตัวเลยก็ได้เป็นพระพุทธเจ้า เพราะสาวกเกิดขึ้นเป็นหมื่นเป็นแสนไม่มีหนังสืออ่านจนพระพุทธเจ้าปณิพานไปประมาณสามอยปีจึงมามีหนังสือหนังสือก็เขียนใช้เวลาไม่มีกระดาษเขียนก็เขียนที่ประเทศลังกาโนนหลวงตาก็ต่างไปดู นี่เขียนหนังสือเป็นเถ้มยังมีคนนั่งเขียนใบลานอยู่ที่นั่นเราไปดูยังมีคนเท่าคนเจียก็ลวาจานแต่ไม่เรียกว่าเขียน <c oughs> เอาเหล็กจานค่อยๆเหลี่ยมๆมัน เ, นเขียนใบลานก็ไปหัดเขียนกับเขา ให้เขียนลงดูเขาสอนให้เขียนลงเดี๋ยวนี้มันเจริญแล้วง่ายๆจะเป็นคงสอนมาดูตัวเราโอ้มาดูตัวเราขายสังขารแต่ก่อนอยู่ยใหนัง น, นตัวเล่านี้ก็เลยไปลอยกองเขียนลงไปในกระดาษ เอาไปอ่านดูมีหนังสือนี่ก็มาจากไบลานตั้งแตประเทศจีลังกาพระเจ้าปริพลานไปแล้วประมาณสามรอยปีเนี่ยอยู่ในหนังสือเล่มนี้สเปสังฆลาณิจาติยถ า, าปัญญายาปจติมาตั้งแต่ น, นู้น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 ถ้าเราอ่านหนังสือไม่ได้ก็มาดูที่สังขารคือมันคิดไปมันทุกข์มันสุขสุขทุกข์เป็นสังขารถ้าภาษาบาลเราเรียกว่าสุขทุกข์เป็นสังขารถ้าเป็นภาษาบาลีปญญาพิสังขารปัญญาพิสังขญญาร ญญปัญญาพิาา ส, าา ส, าาาสังขาราาสาญญาังขารคือสุขปุญญาพิสังขารสังขารคือทุกข์แต่ไปที่เดียวเรียกว่าสุขว่าทุกข์นั่นเรียกว่าสังขารแต่เราเรียกว่าสุขว่าทุกข์ปัญญาพิสังขารปุญญาพิสังขารปุญญาพิสังขารสังขารคือบุญ อภรยาพิสังขารคือบาปคือทุกทุกคือบาปบุญคือสุขอันสุขกันทุกนี่ยังเป็นสังขารอยู่อนเนชาพิสังขารสังขารเคยเพิอมที่จะเป็นบาปเป็นบุญเว้นสุขเป็ทุกไม่น่าไว้ใจอนเนชาไม่น่าไว้ใจยังที่จะเป็นสุขเป็นทุกอยู่ เราจึงมามั่นใจตรงนี้เราจะไม่เป็นสุขเราจะไม่เป็นทุกข์เราอยู่ตรงนี้อยู่ตรงไหนอ ย, อยู่ตรงที่ไม่เป็นอะไรมีเิรสติเนี่ยมันจะเป็นยังไงมีสิทธิมันสุขไม่สุขเห็นวันสุขนั่นนะมันจะทุกข์เห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์นั่นนะมันก็มีเสีย์จากนี้จึงมั่นใจตรงนี้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 ดูมันอยู่เนี่ยน่าจะเหมือนเราดูลกูกแม่ลูกอ่อนเรื่องลูกน้อยตาดูอยู่เนี่ยมันจะผิดอะไรมันจะมีอะไรยังไม่แต่อะไรไม่ให้ตองลูกน้อยก็ปลอดภัยกายใจของเราเนี่ยมีสติเป็นเจ้าของดูมันอยู่เนี่ยมันอยู่ที่ไหนกายใจอยู่ที่ไหนไม่ใช่อยู่ที่อื่น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 ผู้ปฏิบัติย่อมรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นขยันรู้มากก็รู้มากภาวนาขยันรู้พิจิต ก, ก็ไม่รู้วันหนึ่งยี่บสี่ชั่วโมงหลงไปเฉยยี่สิบชั่วโมงรู้สี่ชั่วโมงมันก็ไม่สมดุลกันขยันรู้ดูไม่ให้จะไรทำอะไร จะกินจะนอนในโสตาลองดูอีกไม่นานจะมีส0สิบวันกรรมฐานเข้มที่นี่อย่าเพิ่งกลับบ้านมี่ต่ขอห้ามเลยเห็นหน้าแล้วอย่าเพิ่งไปนะอย่าเพิ่งไปนะขอร้องว่า อาชีพของเราไปรับใช่อะไรมากแค่ <c oughs> งลูกเดียงหลานเต็มบ้านเต็มบ้างลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองเราได้อะไรเราเีย อ, อะไรเป็นของุนตัวน่าจะหันมามองตัวเองแต่ไม่ทิ้งประยูนเขานั่นแหละแต่อย่าไปทิ้งเขา ถ้าพอที่หวานได้ก็มออยู่เนี่ยนั้นก็คนมันก็ต่างกันกับอยู่ที่บ้านไม่มีเสียงอะไรที่มันทำให้เราหลงถ้าเรารู้เรากดีหลงจะได้รู้ถ้าเราไม่ได้พึง่งกันหลงก็จะเป็นหลงถ้าเราพึง่งกันแล้วไป เหมือนชาฝึกดีแล้วชีเขาเปน็นอะไรให้ลูกให้หลานเล่นนด้หมดพย์หมดพิษใจที่ฝึกดีแล้วว่าอยู่ที่ไหนไม่เป็นอะไรเหมือนเกลืออยู่ที่ไหนก็ต้องเค็มไม่จันอยู่ที่ไหนก็หอมบัณนิตผู้ฝึกตนดีแล้วอยู่ที่ไหนไม่ทิ้งทำ ไม่ทิ้งสติมันไม่เสื่อมนะไม่เสื่อมไม่ฝึกมันจะฟูฟูแพ่แไม่ชำนานไม่มีปะริญญามันหลงก็หลงคนหลงเป็นหลงเรี่ยวไม่มีปะริญญา น้าห ล, ลงเป็นลกูกเขามีปะดินยาวนที่มีความโล้เหมือนลวงพ่อเทียนวนที่มีความโล้เขาเขาไม่พลงพลังขช ขายอ้อยขายหมันขายปอเอารถจิบลอจีบแปดลอสันทุกไปได้เงินน้อยน้อนก็นี่ความรู้ก็มไม่ถืออะไรไปนั่งกินน้ำชาช่วยเดียวก็พอได้เงินล้านเงินแสนหลวงพเทียนคุยให้ฟังหาเงินล้อเงินผันหายาก เงินหมื่นเงินแสนหาง่ายฮัล้วหลงพ่อเทียนถามเรามาถ้าได้คุณทางานเดือนหนึ่งได้เท่าไหร่ก็ได้แล้วหลวงพ่อพันบาทสมัยเสียห้าสิบปีนะเดือนละพันบาทได้อยูเพราะ อ, อะไรเพราะเป็นช่างช่างก่อสร้างช่างทุกอย่าง ไม่เพลยลำหนึ่งราคาสองบาทมองไม่เผลยลำหนึ่งได้สองรอยบาทไปซื้อไม่เพลยลำหนึ่งราคาสองบาทมาจากมาสารมาขายได้สองรอยบาทคิดแบบนี้แต่มานอะไรก็ได้ได้เดือนละพันบาทอ้อาวถ้าปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยเดือนหนึ่งไม่รู้อะไรหลงพ่อ จะให้เดือนละพันบาทแต่ต้องทําอย่างนี้นะทำไม่เกินไม้ไม่ไม่ให้นะให้เดินจกักรองไม่สร้างจังหวะเนี่ยถ้าไม่ได้ไม่รู้อะไรจะเสี้ยงเงินให้เดือนละพันบาทสองเดือนสองพันบาทหนึ่งปีก็หมื่นกว่าบาทหน <c oughs> <c oughs> ้าพอ่อหาเงินร้อยเงินพันหายากหน้าพ่อนี่ยหาเงินเสียนเงิงนล้านหาง่าย พระรองพ่อเทียนเป็นพ่อข้าใหญ่ไอ้กินน้าชากับพวกข้าชั่วโมงเดียวได้เงินแสนเงินล้านทําไงจึงได้ก็ชาวบ้านแถวเชียงคานเขาทําไอ่ฝ้ายว่าเทียนไปพ่อข้าไปถามว่าที่นี่มีฝ้ายกี่หมื่นสองร้อยหมื่นสามร้อยหมื่นจะขายเงินละเท่าไหร่ ขอให้หมื่นละเท่านั้นเดี๋ยวนี้ราคาเท่านั้นถ้าละถ้าให้อีกหมื่นละเท่านั้นจะขายไหมขายถ้ได้เท่านั้นขายอย่าขายใครนะจะซื้อให้แค่ได้หมื่นเท่านั้นจะให้หมื่นละเท่านั้นไปถามบ้านนั้นบ้านนั้นได้พ่ายเป็นล้านลานหมื่นรับ้องมาจะไปซื้อให้ ไฟก็อยู่บ้านเขานอนแล้วหลวงพ่อเทียนก็ไปหาโรงงานเหีบไฟ้จะซื้อเท่าไหร่เวลาในไฟ้เขาให้ละสมมติว่าเขาซื้อละหมื่นละพันบาทเดี๋ยวนี้ซื้อหมื่นละพันบาทจะซื้อไหมหมื่นละพันยี่สิบบาทมีไฟ้เท่านั้นหมื่นเท่านี้หมื่น ชื่อไหมถ้ามันมากขนาดชื่อหมื่นละพันยี่สิบบาทชื่ออยู่เอาเอารถไปจนะ่ายลเงินไม่มีจ้บาทบอกโรงงานเอารถไปจ่าบานนี้นี่สองร้อยหมืนบ้านนี้สามร้อยหมื่นบ้านนี่ร้อยหมื่นเอาไปทุบไปทุบไปแล้วเก็ปเงินมาให้เขาซื้อไฟเขา นี่ินน้ำชาถ้วยเดียวได้เงินแสนแสนล้านล้านหางกินร้อยเงินพันหายากนลวพ่อเทียนคุยอวด <c oughs> <c oughs> เลยก็ดีมีเรือมีเรือล่องหลวงกระบางปากเซอตะปือม่น้ำโขงสองฝั่งไทยลาวหลวงพ่อเทียนวิ่งใช่ไหมก่อน เรือใหญ่เรือจักทุกสินค้าตอนนั้นก็ยังไม่เรืออยู่หลวงตาหลวงพ่อไปอยู่กับหลวงพ่อเทียนลูกชายเป็นคนคุมเรืออยู่หลวงพ่อเทียนหนีมาบวชอายุสี่สิบแปดปีเท่านั้นเองตอนนั้นเนี่ยอย่าขายหมันขายอ้อยขายทองคำ พบไปอริยภพภายในไปธรำอะไยอยู่มาเปลี่ยนความหงเป็นความรู้เนี่ยทรัพย์เท่าไถ้ามีสติมีสมัมผัสเป็นมาตรฐานเหมือกเกิดเกิดเจ็บ เ, เจ็บตายเป็นทรัพย์ของเราเท้าไรเห็นของเราเราเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมาไม่ใช่ของเราเห็นของแผ่นดิน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 ลูกสาวล้วก็มีลูกของมีผัวลูกสาวตายไปสามีเขาเป็นคนคองสมบัติเวลานี้บ้านที่เราสร้างเองไม่กล้าไปน้องสาวก็ไม่มีมีแต่น้องเคยล้วก็มีแต่ลูกของเขาเขาไม่รู้จักเรา แต่ก่อนแม่ยังอยู่ปล่อยบ้านเดินไปห้องพระห้องนอนของตัวเองได้เดี๋ยวนี้ไม่กล้าไปเหยียบกลัวเขาถามว่าหลงตามาจากไหนเขาจะหัวงตามาจากไหนทําไมวุ่นเพี้ยนอยู่เนี่ยเขาจะว่าอไม่กล้าไปไม่ใช่ของเร า, ม, เรามันเปลี่ยนเจ้าไป จากเงื่อนเกเรื่องงานของเราที่เงื่อไหลยอยู่ตรงนั้นแต่ดานทุกแผ่นไม่ทุกขิน้นเกิดจากมือเราทำเองหนาก็เกิดจากเราเดีย๋ยวนี้เขาก็สบายสบายแต่เราอุตสาธรรมาไม่ใช่ของเราเลยนี่อันทรับภายในนี่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 ความโกรธควงทุกขคมอะไหนึ่ดไปซะนี่เป็นมิจฉาชีวิตได้ชีวิตชีวิตมันไม่เป็นอะไรกับอะไรชีวิตมันไม่เป็นเลยสุขไม่เป็นผู้สุขทุกข์ไเป็นผู้ทุกข์มันเป็นอะไรไม่เป็นกับมันเนี่ยเห็นมันอย่างนี้ไม่เป็นอย่างเนี้นี่คือชีวิตมันเจ็บเห็นมันเจ็บมันตายเห็นมันตายนี่คือชีวิต หัดให้เป็นหัดให้ได้หนี่ไปแนใ่นอนที่สุดเราต้องเกิดเจ็บเจ็บตายไม่มียกเว้นค่ะอย่าหลงตรงนี้อย่าให้เจ็บเป็นให้เก็บอย่าให้เจ็บเป็นเจ็บอย่าให้ตายเป็นตายฝึกไปไว้อย่างนี้แล้วเราไม่ฝึกเกิดปวดมากตรงนะี้ลอยทั้งลอยเป็นทุกข์พเพราะเก็บเพราะเก็บเพราะตาย เหล่าที่ไม่ตายก็ยังเป็นทุกข์กับขเขาอยู่แม่เพียนก็ร้องให้พ่อหลานตายเสียใจเป็นทุกข์บ่หลานตายเป็นทุกข์บ่ทุกข์ลอยนอนตัไหล่ยาวๆบ่าวาพูดอเราเองที่เก็บแต้มก็ยังเป็นไงแล้วเรามาหัดเอาไว้ให้มันเหนือให้มันเหนือเนี่ย มันผิดอะไรบอกอย่างนั้นมันผิดอะไระจะเอาอย่างงั้นเลยเราชีวิตของเรามีสิทธินั่นเนี่ยนี่เป็นวัดวาล า, ามมีพระสงฆ์มีคําสอนคนไทยไม่ต้องต่อวิซาอาจารย์ยยกิยังต่อวิซาปีละครั้งเจ๋อเงินมาอยู่บางไทย คนจีนก็เสียเงินมาอยู่บงไทยต่อวิชามาไปต่อวิชาได้สามเดือนต่อไปก็จะให้เป็นปีถ้าเป็นพระให้เป็นปีถ้าเป็นโยมให้ <c oughs> เดือนหนึ่งสองเดือน <c oughs> ถ้าเป็นนักบวชให้เป็นปีนี่เมือนไทยไปอย่างนี้ถ้าถ้าไม่อุ่นใจ ลองเดินขึ้นไปลงทานดูสิไปเปิดห้องสเสบียงดูพอจะอยู่กันได้ไหมมีเข้าสารไหมมีไห ม, มไม่คิด <c oughs> ไปดูได้มาจากไหนคนไทยมีน้มใจให้พวกเรามาให้พวกเรามาลองตาไปหาถ้าไปปูโตโวันนี้ มีผ้าสีเหลืองๆสำหรับปูโต๊ะหวางพระประธานไหมเขาบอกว่ามีไหนเอามาดูเขาก็เอาผ้ามาดูได้หมายจากไหนซื้อหมายจากไหนไม่ได้ซื้อมีคนเอามาให้ไม่ได้ซื้อเลยโอทูคนไทยเนี่ยสองตาก็ใช้ชีวิตนักปวดมาในสี่สิบห้าสิบปีไม่ลำบาก อยู่ที่นี้ก็อยู่ได้อยู่ที่นี้ก็อยู่ได้ก็เลยกล้าชวนมาถ้าไม่มีอยู่ไม่กินจะรัผิดชอบเองอาจารย์ตุ้มอยู่นี่พระสองฆ์อยู่นี่ทุกคนชีวิตอยู่นี่มาอยู่ด้วยกันนี่ยปาปฏิบัติแบบนี้ถ้าไม่ไม่ภาละอะไรมากมาย ยิ่งมีคนเท่าคนเจมีอายุชวนมาจนมาอยู่นี่ล้วก็เจี้ยงรูดเตี้ยหลานมามากแล้วมาพักด้วยกั น, นต่างคนต่างเจ๋หลงตาก็เจ๋ย่าจมก็เจ๋มันจะสนุกดีคนเจ อ, อยู่ด้วยกันไม่โทษไปทิ้งนะคนหนุ่มก็ได้ไม่ชี้สาวๆก็มาไดนะ้คนหนุ่มคนสาวก็มาได้เ <c oughs> <c oughs> นาะเนี่ยเป็นอย่างนี้นะ เอาพูดหน่นนอฟังสมควรใจเวลาก็พระพร้อมกัน